ท่านพระอาจารย์ช่วยไม่ให้ตายขณะที่ผู้เล่ามีอายุได้18ปีเป็นสามเณรพำนักอยู่วัดป่าสุทธาวาสได้มีโอกาสเข้าไปปฏิบัติท่านพระอาจารย์บ้างบางโอกาสหมายเหตุหมายถึงเป็นช่วงที่พระอาจารย์มั่นมาพำนักที่วัดป่าสุทธาวาส15้าวัน ก่อนจะเดินทางต่อไปอยู่ที่บ้านนามลอําเภอโคกศรีสุวรรณจังหวัดสกลนครขณะนั้นคงเป็นพุทธศักราช2485พระผู้ปฏิบัติใกล้ชิดขณะนั้นถ้าจำไม่ผิดก็มีพระคำดีน้องชายพระอาจารย์สิมพุทธาจาโรและพระผู้ช่วยอีกสามรูป ขณะนั้นพระมหาจันทรสีจันททีโปซึ่งต่อมาคือพระอุดมยานโมลีวัดโพธิสมพรอุดรธานีเป็นครูสอนอยู่ที่วัดป่าสุทาวาสท่านถือโอกาสเข้าไปปฏิบัติใกล้ชิดทุกวันท่านพระอาจารย์มั่นก็ดูเมตตาเป็นพิเศษท่านปล่อยให้พระมหาจันทรสีทําข้อวัดเต็มที่ท่านมหาก็เอาใจใส่าถามนั่นถามนี่ และให้ท่านอธิบายทำให้ด้วยพระมหาจันรสีพบหน้าผู้เล่าเมื่อไหร่มักพูดว่าทองคําเราไม่ตายอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้เพราะท่านอาจารย์มั่นแท้ๆซึ่งตายในที่นี้หมายถึงศึกเปรียบว่าเป็นการตายจากพระธรรมวินัย